ด้วยตักถาเพิ่มสักเล็กน้อยในหน้า354เนี่ยนะที่บอกว่าคนเนี่ยล่วงเลยปัญหาไปเนี่ยนะก็คือข้ามปัญหาไปไม่สามารถจะทําที่สุดแห่งปัญหาไปได้หรอกถามมาทาไมก็เพราะว่าการถามเรียกว่าปฏิภาคส่วนเหมือนกันหรืออปฏิภาคส่วนที่แตกต่างกันพระนิพานนี้เป็นอปฏิภาคธรรมเป็นธรรมที่ไม่เปรียบกับอะไรทั้งนั้นเนะี่พระนิพานไม่ใช่สีเขียว พระนิพพานไม่มีสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะพระนิพานพานไม่ดำไม่ขาวเป็นต้นแล้วคุณก็มาถามพระนิพพานด้วยความประสงค์นี้เสีย อ, อุบาสกผู้จะถามปฏิภาค่าแห่งอปฏิภาค่าธรรมนี้จึงเป็นอันบุคคลพึงทราบ ว, ว่าเป็นผู้เริ่มผิดในคําถามที่มีส่วนปรับแม้ทุกข้อเนี่ย น, นะเรียก ว, ว่าคําถามบอกว่าแล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบของนิพพานนิพพานเหมือนอะไรเนี่ย น, นะถามงี้มันก็จบลงแล้วว่างั้นอะ เปรียบเหมือนอะไรในการถามคําถามข้อสุดท้ายจริงๆอ่ะนะมันเสียหายมากเหมือนกันเนละเสียหายแบบไหนเสียหายแบบเรียกว่าเหมือนพระพิสุได้สลักพัตนในบ้านเจ็ดหรือเจ็ดหลังเนี่ยนะเขานิมนไปรับอาหารเจ็ดบ้านเสร็จแล้วพระพิสุนั้นอะ่ะเดินเลยทั้งเจ็ดหลังคาเรือนไปอยู่ที่บ้านอกเรือนที่แปดอะ่ะหมายว่าไอ้บ้านที่เขานีมนไปรับอาหารเจ็ดหลังเนี่ยไม่ไปอะ่ะเดินไปบ้านที่แปดยังว่าจะได้อาหารฉันบ้างไหม เนี่ยนะเพราะอย่างอย่างสมมุติว่าไอ้บ้านที่เขาเขานิมนต์เราเราก็ไม่ไปแล้วไปบ้านที่เขาไม่ได้นิมนต์และไอ้บ้านที่ไม่ได้นิมนต์เนี่ยเขาก็ไปช่วยงานบ้านที่เราเขานิมนต์ไปหมดแล้วมันจะฉันอะไรเขาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำถามข้อสุดท้ายเนี่ยนิพานเปรียบเหมือนอะไรก็ฉันนั้นนั่นแหละเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาการเจริญกุศลธรรมทั้งปวงก็เพื่อจะอย่างลงสู่พระนิพานแปลว่าเข้าไปภายในพระนิพาน มีนิพพานเป็นเบื้องหน้าอธิบายว่าเขาจะประพฤติปฏิบัติไม่ไปที่อื่นนอกจากพระนิพพานเหมือนแม่น้ําทะเลทุกสายสายใหญ่ๆไหลลงสู่พระนิพพานไหลลงสูนะ่แม่น้ําสายใหญ่ไหลลงสู่ทะเลฉันใดการปฏิบัติการเจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาก็เพื่ออย่างลงสู่พระนิพพาน น, นนะนะแล้วก็ก็ที่จริงนะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ใน พ่อชงเนี่ยนะพชงสังยุตสติประฐานสังยุตมัคสังยุตเป็นต้นเนี่ยปรงก็ตรัสอยู่แล้วว่าแม่น้ำสายใดแม่น้าสายใหญ่เนี่ยนะสายใดสายหนึ่งเช่นแม่น้ำคงคายมุนาสระูมหีเป็นต้นแม่น้ำทุกสายที่ใหญ่เนี่ยล้วนแต่ไหลลงสู่ทะเลเนี่ยนะชันใด ผู้ที่เจริญสติประธานเจริญสัมมัประธานเจริญอิธิบาทเจริญอินทรียเจริญพระเจริญโพชงเจริญองค์มรรคก็ตามก็อย่างลงสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันคือถ้าเจริญตามคําสอนเนี่ยนะมีจุดมุ่งหมายอยู่อันเดียวคือพระนิพพานเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีรถเดียวใช่ไหมวิมุตติรถวิมุตติรถก็คือพระนิพพานนั่นแหละเพราะว่าบุคคลจะหลุดพ้นได้ก็เพราะอาศัยพระนิพพาน ตอนท้ายพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระนางธรรมทินนาะภิกษุณีว่าเป็นผู้ฉลาดฉลาดในอะไรบ้างฉลาดในธาตุฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสมุปบาทฉลาดในว่าอะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะฐานะแปลว่าเหตุอะไรเป็นเหตุอะไรไม่ใช่เหตุอะไรเป็นผลอะไรไม่ใช่ผลเป็นต้นและเป็นผู้ที่มีปัญญาใหญ่มีปัญญามากปัญญาใหญ่หมายถึงว่าปัญญาแตกฉานในปฏิสัมพิธาสี่ เพราะมีปัญญาสามารถกำหนดเอาอัฏถะใหญ่ธรรมะใหญ่นิรุตติใหญ่และปฏิภาณที่ใหญ่เพราะเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพิธาทั้งสีที่ใหญ่มากเนี่ยนะจากการที่พระพุทธเจ้ารับรองก็เท่ากับว่าพระสูตนี้เป็นพุทธภาษิตเปรียบเหมือนกับว่าเจ้าพนักงานร่างหนังสือขึ้นมาเอาไปถวายพระราชาแล้วพระราชาประทับตราหนังสือนั้นก็กลายเป็นราชาราชาเลขาลใช คือคือราเลขาเขียนนะแปลให้พระราชาประทับก็แปลว่าเป็นเป็นอะเป็นห น, นังสือของพระราชาแล้วจะไม่ใช่หนังสือของอหัดทะเลขาแล้วนะจะกลายเป็นของพระราชาชันใดพระพุทธพจน์นี้ก็เหมือนก า, การที่พระองค์ตรัสรับรองประทับตราพุทธเจ้าและพระสูตรนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนะแล้วก็พระสูตรเกี่ยวกับผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธาเนี่ยนะ เวท ล, ละก็คือคำพูดประเภทกลุ่มที่สอบถามยิ่งยิ่งขึ้นสูงสูงขึ้นแล้วก็ผู้ที่ถามผู้ที่ตอบนั้นก็เป็นผู้ที่แตกฉานในปฏิสัมพิธาเพราะฉะนั้นทั้งสองสูตรคือทั้งมหาเวท ล, ละสูตรจุลเวท ล, ละสูตรก็เป็นพระสูตรของผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธาเนี่ยนะเขาสอบถามแล้วก็ตอบกันแล้วก็พวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสมีบุญได้ยินได้ฟังเหล่านี้ ก็จะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นปัจจัยให้เราได้ปฏิสัมพิธาตรัสรู้อริยสัจเพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งปวงที่ได้ฟังธรรมตรัสอ น, น, นุกักจอขอจงเป็นไปให้ตรัสรู้อริยสัจจะทำโดยท่วนกัน